ศีลพระบรมศาจราทรงสรรเสริญเมตลงในศีลพระโสดาวันเป็นล้นของผู้มชั้นต่างหลายคือศีลห้าบริบูรณ์เรียกว่าศีลคารวะศีลสิบบริบูรณ์เรียกว่าศีลของสมเนศศีลแปดบริบูรณ์เรียกว่าศีลของพระอนาคามีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ด่าว่าพ่อ เรียกว่าศีลของพระโสดาบันศีลสองรอยี่สิบเกตไม่ได่าไม่พ่อเรียกว่าศีลของพระอระหรันต์นะถ้าอย่างนั้นผู้บวชมาก็ต้องเป็นพระโสดาบันหมดสีก็เพราะศีลมันยังด่างยังพ่ออยู่มันก็ไม่เป็นทําไมผู้บวชมาจึงเป็นโลกีปนเปอยู่ก็เพราะเกตนามันต่างกัน บางท่านก็มีเจตนาบวชมาพอแก้รำคาญหรือตามประเพณีของบรเมืองเขาผู้ที่อุปสมบมทมาเพื่อพ้นทุกข์ในวัาสงสารผู้นั้นเจตนาของเขาถึงโลกุตตรเจตนาแลว้วคราวใดข่าวโลกห่างเหินจากศีลธรรม กิเลสก็สแสดงปาฏิหาริ์ขึ้นคราวใดโลกไม่ห่างเหินจากเสียงคำกิเลสก็ไม่สแสดงปาฏิหาริ์ขึ้นมองดูหน้าดูตากันก็สนับ ด, ด้านละกิเลสจะเว้นไม่ได้ด้านอาบน้ําเว้นไม่ได้ด้านละกิเลสก็เว้นไม่ได้สักคนหนกายมันสกรปรกโสมมอาบน้ําภายนอก พอเข้าสังคมได้จิตใจยิ่งสปกปรกโสมมก็ยิ่งร่างยากจะเอาน้าภายนอกไปลากมันลางไม่ได้จิตใจต้องเอาสินทรรมเข้าไปลางเข้าไปเป็นอาหารใจกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนกายกินอาหารเป็นเวลาอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ที่สำคัญ ถ้าเป็นไปในทางทางกุศลก็เป็นอารมณ์ในทางกุศลถ้าเป็นไปในทางบาปก็เป็นอารมณ์ในทางบาปถ้าเป็นไปในทางสมาธิก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเป็นไปในทางพิจารณาปัญญาเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เป็นอารมณ์ในทางวิปัสสนาปัญญาและก็เป็นบุญอยู่ในตัวด้วย ถ้าไปทางถูถ้าไปทางผิดก็เป็นบาปอยู่ในตัวด้วยบาปก็บวกบาปอยู่ที่ใจบุญก็บวกบุญอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่อื่นถ้าหารก็หารลงถึงใจถ้ารบก็รบลงถึงใจเพราะใจเป็นผู้รบรบสิ่งไม่ดีออกหารสิ่งไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้รบสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้ คูณสิ่งที่ดีขึ้นด้วยสิดวงใจคูณสิ่งที่ชั่วเอาออกทิ้งบวกสิ่งที่ชั่วเขาออกทิงใครเป็นผู้โดจ้จากดีชั่วนอกจากใจไม่มีใครจะรู้ก็เป็นหน้าที่ของใจใครจะโง่จะฉลาด ก, ก็เป็นหน้าที่ของใจจะไปทิ้งความโง่ความฉลาดให้ตาหูจมูกเล่นกายมันก็ไม่รับนั่น คำสอนแต่ละวัดละบาทก็สอนใจทั้งนั้นพระบรมศาสด า, ศาองคไ์ไหนก็มาเทิดเสมอกันหมดมีพอรอบอเดียวกันไม่ลบล่างพอรวอบอกันเลยแต่พวกเราสี่ห้าปีก็ทำกฎหมายใหม่4ี่ห้าปีก็ทำกฎหมายใหม่จะได้เงินที่ไหนมาชนะชนังทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ยุคใดผู้ใดมีกิเลสมากก็ตั้างกฎหมายเข้าข้างตัวนะ่ะแล้วมันเดือดร้อ น, นเดือดร้อนก็ร้องขอกันที่นี่ขอดีก็ดีขอไม่ดีก็ฆ่ากันนั่นะเวรสนองเวรภัยสนองภัยในวตราสมสารอันนี้เหตุฉะนั้นจึงเว้นคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้ใครจะอวดดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าตั้งกฎหมายกด ห, หมู ก, กัทักกดพวก ไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วมันไปไม่รอรอเรกเากรรมและผลของกรรมเป็นผู้ตามตัดสินอยู่ไว้มีกลางวันกลางคืนตามไตสวนอยู่ไว้มีกลางวันกลางคืนพยานก็อยู่ที่นั้นอายการก็อยู่ที่นั้นพิภากษาก็อยู่ที่นั่นท่านายก็อยู่ที่นั้นอยู่ที่รวงใจ มันตัดสินเองมันผลกรรมและผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่ยอมนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันนักใครจะดีเห็นสักเพียงไหนก็ต่างก็อยู่เหนือกรรมและผลของกรรมยังไม่ได้เว้นพระอรหันต์เสียพระกรรมชั่วท่านก็ละพอแล้วกรรมดีท่านก็สร้างพอแล้วท่านก็ท่านก็ทรงอยู่เหนือกรรมซะกรรมดีก็คือกุศลกรรมที่ท่านทำแล้ว กรรมชั่วก็คืออกุศลกรรมที่ท่านละพอแล้วท่านก็เลยอยู่เหนือกรรมไปสักทรงอยู่เหนือกรรมก็เข้าฟันยพานทำไปสัมกมุดจิตที่จะทำอีกเหตุที่จะละโลภละโกรละหลงอีกไม่มีผลของเหตุที่จะให้ยิ่งไปกว่านั้นแห่งล ะ, ละโลภโกรหลงไปอีกก็ไม่มีแปลว่าอยู่เหนือเหตุเหนือผลสักเหตุที่จะละโลภละโลกรละหลงไม่มี เหตุที่จะตักน้ำใส่ตุ่มก็ไม่มีเหตุตุ่มที่จะรับน้าไว้ก็ไม่มีเรียกาผลผลของการตักน้ํามันก็ไม่รับไว้เทใส่มันก็ร่นหนีหมดเพราะเหตุจะตักไม่มีผลจะรับไว้ไม่มีเสร็จแล้วพระดอาหารก็อันเดียวกันเหตุที่จะทําบาปอีกก็ไม่มีเหตุที่จะละบาปอีกก็ไม่ไม่มีผลที่จะนํามาให้ก็ไม่มีบุญก็เหมือนกันเหตุที่จะสร้างบุญก็ไม่มีผลที่จะได้มาอีกก็ไม่มี เพราะเนื้อเหตุนเน้ผลไปแล้วก็ทรงสั่งสอนเวรในของสัตว์ตามเท่าที่ควรแล้วท่านก็นไปซักสิ้นลมพานไปซักคำสอนใดๆในไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวพูดแล้วพูดเล่าจนหนวกหูเพราะมันจริงพูดเวนานไหนมันก็จริงอยู่เหตุฉะนั้นจึงพูดบ่อยๆ ยิ่งพูดก็ยิ่งจริงถ้าคำจริงคำไม่จริงยิ่งพูดก็ยิ่งไม่จริงนะถึงไม่พูดก็จริงอยู่คำจริงไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่รู้อีกก็จริงอีกใดๆในโลกลวนคำสอนใดๆในโลกล้วนไม่เท่าคำสอนพระพุทธศาสนาหรอกพระพุทธศาสนาสอนยิ่งไปแล้วเหนือโลกเหนือสงสารไปแล้ว ที่แรกก็สอนโลกนั่นเองสอนไปสอนไปสอนให้เหนือโลกไปอีกวิชาพระพุทธศาสนาวิชาทางธารวิาสอนให้ทะเยอทะยานในวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อู่ของอเนจังย่างสูงก็ดาวเทียมขึ้นไปที่นี้เวลาตายที่ดาวเทียมก็ลงมาใต้ดินเหมือนกันนั เพราะมันขึ้นขึ้นไปจากดินผู้ไปหาดาวเทียมเกิดใจเป็นไ ม, ม้ัต่รูโกดหลงไหมไหมก็ขี่รคขี่โกดขี่หลงขึ้นไปใช่ไหมนั่นมีผู้ไปทะเลาะวิวาสกันไปด่ากันชอบตันอยู่ที่ดาวเทียมมันก็ตกลงมาจากดาวเทียมตูลงมานี่เหมือนกันนั่นเพราะมันกีเรตันมีอยู่ไปไหนก็เอาปกีเรตไปด้วยนั่น เรื่องกิเลสเป็นขอสําคัญมากเรื่องอื่นไม่สําคัญเหตุนั้นท่านจึงบัญญัติว่าขันธมานมารคือปันจะขันกิเลสมานมารคือกิเลสอภิสังขารมานมารคืออภิสังขารเทวบุตรตมานมารคือเทวบุตรมานะมานมารคือมานะถ้าชนะกิเลสมานแล้วมารทั้งหลายก็ชนะกันไปหมดกิเลสมานเป็นขอสาคัญ กิเลสมันเกิดขึ้นจากไหนมันก ER ็เกิดเกิดขึ้นจากใจนี่เองถ้าใจไม่ทำให้เกิดมันก็ไม่เกิดถ้าใจรู้เท่ากิเลสใจก็ไม่ทำให้กิเลสเกิดถ้าใจไม่รู้เท่ากิเลสใจก็ทำให้กิเลสขึ้นสนิมมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่เล็บถ้าไม่ไม่มีเล็บก็ไม่มีสนิมแต่เล็กดีไม่มีสนิมตกครองกันด้วยวิธีไหน ปกครองกันด้วยธรรมะของพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าหาธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยมันปกครองกันไม่อยู่หรอกมันไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาป่ะจะปกครองกันด้วยวิธีไหนมันก็ไม่อยู่ละความเซลุ่มกลัวต่อบาปความกลัวบาปความเซลุ่มกลัวต่อบาปความละอายบาปเรียกว่าฮิริฮิริถ้าอ่านเป็นภาษาเมาคอทก็ว่าฮิริ ความอายต่อบาปอดตะปะความกลัวต่อบาปจะปกครองโลคอยู่ได้สังคมใดที่ไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปสังคมนั้นจะเอาอะไรมาปกครองมันจึงจะอยู่มึงค่ากูกูก็ข่ามึงได้ลูกหลานกูก็มีนั่นแล้วไม่เป็นเงินเงินใต้โต๊ะใต้เตียงมันมาจากไหน มันก็มาจากความไม่กลัวตบบาปไม่ละอายตบบาปนั่นเองนั่นจะไปตัดตีนศสียมือมันตายหมดมันก็ยังไม่สงบเพราะจิตใจมันไม่เห็นโทษในเรื่องบาปนั่นจะเอาตำรวจทหารหรือพลเมืองเข้าคุกไม่มีคุกที่จะใส่มันไม่เห็นเรื่องโทษในบาปเลยใครจะช น, นะชนะงไปทำคุกทำเรือนจำโทตรวนทำเท่าไรมันก็ไม่ครบ ใครจะเป็นกรรมการตกลงกรรมการก็เกลือเป็นกรรมกรินด้วยกันประเองนะแล้เวเถอสุรักกูก็รักเหมือนกันเอามาให้กูนะไม่มีกรรมการเพราะไม่มีทำคําสอนเพราะไม่มีอยา่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟั ง, งมาบางเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะปรึกษาสิ่งใดใครกับใครใครก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเป็นตนและผู้อื่น จะพูดสิ่งใดก็แค่ใครก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบนตนแลวผอื่นจะทำสิ่งใดก็แค่ใครก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบนตนและผู้อื่นจะคิดอะไรก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบนีเห็นว่าทำดีได้ดีใจเป็นทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นใครยางไปฮะน่าสว่างวะลงเงนบะมาก น, นี่บะเราหมโต ยงหจักขาวัดขาวาเป็นน่อันร <auft donuts> ู้จักขาวัดขาวามันอุกไล่ย่หูจักว่าปฏิบัติเป็นอันุ่มมา่าปฏิบัติเนี่ยมันเปนจาอุกตับอยู่นะอันสุ่มหูจักขาวัดขาว่าอลมันใข้แล้ฟังมันถูกได้คนเหารองมารงกันว่าเป็นปัญหาเนนวมมาไกลกะเทมเน่มันมัดควาเวมาะนะวนา ด้านภาวนามันไม่หลายกระซาสินห้าสินห้าเป็นศินของคารวาสเฉพาะสินห้าไม่ได้เฉพาะคารวาสไม่ได้ปฏิบัติมากมีเพียงสินห้าพอแล้วเมื่อมีเพียงสินห้าไปจาตัวพอแล้วไม่ต้องกล่าวถึงสิสองรอยยี่สิบ็ดมันเปิดประตูไปแล้วเปิดประตูคนนี้ผ่านแล้วมีสินห้าเปิดประตูทางใจไปทางดีแล้ว เปิดประตูความประพฤติแล้วปิดความประพฤติที่ขั้วแล้วท่ามีศีลห้าปาราติบาทและนฆาตอจินาเว้นไปแล้วเวนอันยับยากมันละไปแล้วเหตุฉะนั้นผู้มีศีลห้าบริวูรณ์ท่านจึงทรงบัญญัติอเป็นพระโสดาบันและไม่เลื่อมใสในคําสอนอื่นๆเลื่อมใสในคําสอนนพุทธศาสนาผูกขาดไม่สงสัยว่าคําสอนนพุทธศาสนาจะตําต้อย กว่าคําสอนใหญ่ๆทั้งปวงในโลกการเชื่อพระพุทธศาสนามันก็ไม่ได้บังคับที่มันบังคับอยู่นี่ก็เพราะมันไปเรื่อมใสยรัตทินั่นจะดีกว่ารัตทินี่จะดีกว่ามันก็ได้เกิดให้ความสงสัยในพุทธศาสนาทําไมมันจึงสงสัยเพราะมันยังพิจารณาคุณค่าพระพุทธศาสนายัางไม่แตกผู้เห็นอวยัยวุฒเป็นหอกเป็นง้าวถือเป็นทางชิบหายหนาเดียวดิ่งถอนไม่ออก คนนั่นก็เว้นอบายมุกได้ถ้าบังคับมันถ้ามันไม่เห็นชัดมันบังคับมันเดี๋ยวพอขบรถตนคืนพ่อบังคับมันมันก็กขบรถเจ้าของคืนถ้าเห็นดิ่งลงมาทางว่ามันชิบหายดิ่งทางเดียวแล้วมันถอนไม่ออกมันก็ไม่เสียดายอยากร่วงระเมิดนั่นมันจะหนักใจทำไมมันไม่เสียดายอยากร่วงระเมิด พอมันเห็นดิ่งลงไปว่ามันชีบหายที่มันไม่เห็นดิ่งลงไปทางชีบหายนั่นเองมันมันเว้นไม่ได้ปาราเทบาตินาการเมมุสาสุรางมันกันเห็นว่าเป็นไผ่เป็นเวรล้วนๆชี้หลังโลเกอนุตโตเห็นว่าศีลอันนี้เป็นเยี่ยมในโลกกิงๆิ้ชีเรนะโพขสัมปทาเห็นว่าโพทสัพย์ทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหารี่มาทรัพย์ ทั้งที่เป็นอสังสหาร่มทรัพจะอยู่ได้ก็เพราะศีลจะมาปาัสกาคเวียนไทยก็เพราะศีลถ้ามันเห็นอย่างนั้นชัดเนี้ยมันก็ไม่เสียใจอย่างร่วงละเมิดศีลถ้ามันเห็นชัดถ้ามไม่ไปเห็นชัดแล้วก็ปีนเจ้าของอยู่นั่นเองลาบากเลย น, นั่นเองถือเป็นของหนังอีกด้วยงั้นการจองเวรอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บก็ดีมึงเถอะมึงเถอะกูจะทํามึงอย่างนั้นกูจะทํามึงอย่างนี้ นั่นไม่ใช่ภูมิปัศดาวันภูมิปโสดาวันขาดไปแล้วไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจองเวรถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับลงมือรักและฆ่าถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะพูดปลดถึงมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะประพฤติผิดในการมถึงมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะเสียดายหรืออุศรา ถ้ายังเสียดายเดือดสุราอยู่แล้วก็เพราะยังไม่จิตยังยังไม่ถึงโลกุตรละก่จําำเป็นนะเพราะต่ำมุนินาวัตติโลโกต่ำในโลกีผูกพันอยู่ยังสร้างบา ร, รมีต่ำต้อยอยู่ก็จำเป็นไม่ให้ไปได้ถ้าบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วบา ร, รมีแก่กล้าก็ดีอ่อนก็ดี นั่งคอยให้แก่ข้านอนคอยให้แก่ข้าก็ไม่้ต้องอบรมอยู่ทุกวันทุกคืนทุกขณะใจถวายเคยวันกตันอยู่อยู่ทุกใจต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์คดธรรมสงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นน้อมลงมาที่ใจเลยอธิษฐานไว้ที่ใจเลย อธิษฐานพระามเมสัมปโนสัจจะพราเมสัมปโ น, ป น, โนตั้งสัตร์อธิษฐานไว้ในใจเลยถึงแม้เราลืมไปก็ไม่เป็นปัญหาพอเราตั้งอธิษฐานแะตั้งสัตร้แล้วยังจินจีรัตนังโลกัรัณนอันใดในโลกนี้ วิชิติวิทางพุทธรัตนังพุทธสมังนะติตัดสม่าโสดที่พระอันโตเตยังกินจีรัตนังโลเกวิชิติวิถทางพุทธรัตนัพุทธะสมังนติตัดสม่าโสดที่พระอันโตเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะสมุเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมั่มัเลยนัตเมสรัตนังมันยางสาระอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาณะของข้าพเจ้านี่พูดลวกไปทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะมันเห็นชัด มันก็ปฏิญญาตนมันอย่างนั้นสิน่นเห็นพระเดชพระคุณชัดในธรรมะของพระองค์ผู้เชื่อธรรมก็คือเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองผู้เชื่อธรรมก็คือเชื่อตนที่ทําดีนั่นเองผู้ไม่เชื่อธรรมก็คือไม่เชื่อตนที่ทําดีนั่นเองก็คือไม่เชื่อพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเอง ก็ก็คือผู้ที่ไม่มีที่พึ่งนั่นเองตกหน้าไม่มีที่พึ่งมันเป็นไม่รอยน้ำเป็นนุ่นปลิวไปตามลมผู้ไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีที่พึ่งทางใจเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วอันอื่นก็ไม่มีที่พึ่งที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ก็คือคุณงามความดีของเราที่ทำเท่านั้นที่พึ่งทางใจนาทะกรณธรรมคือทรรมที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรักษากายวายจาให้เรียบร้อยสองหิรละอายต่อบาปทุจริตสามอดตะปะสะุ่งกลัวต่อบาปทุจริตสี่พาหูสัจจะเป็นผู้เคยได้เรียนได้ฟังและจำทรงศิลปวิทยามากห้า ตาาัณญาณิตตาความเป็นผู้มีเพื่อนอันดีงามหโ ส, สจตตาเป็นผู้ว่าง่ายสอง่ายจิงกรณีสุทกักตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของหมู่เพื่อนเท่าที่ควรธรรมกามตาความรักใคร่ในทางที่ชอบวิริยะเพียนเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดี แปดสันโดดยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งและยารักษาไข้ตามมีตามราชเก้าสติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรนี่เรียกว่าทําเป็นติพึ่งของตน น, นะครับผมเรามาศรสตาบอกไปมดไม่มไมจนมุมเลย ทำที่เบียดเบียนตนก็ตรงกันข้ามศีลก็เป็นที่พึ่งของตนผลทานผลศีลผลภาวนาเป็นที่พึ่งของตนคุณความดีที่ตนสร้างไว้ก็เป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของใจความชั่วก็เป็นที่เบียดเบียนใจนะมันก็เห็นขาวๆอยู่ไหมมีอะไรปิดบังเลยข่าวในโลกอนุมานข่าวใ น, นโลกออกจากพระพุทธศาสนาจาก ออกากาพุทธศาสนาปีนเกลียวออกากาพุทธศาสนาชาวโลกมักอมักพูดว่าฝนไม่ตกเพราะทําลายแม่น้าลําทางและป่าไม้อันนั้นมันเป็นปลายเหตุของมันจริงอยู่แต่ก็ไม่จริงพระพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายปีนเกลียวพระพุทธศาสนามีแต่บาป คูณบาปอยู่ในดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่มีบุญคูณบุญไม่มีความดีคุณความคูณความดีของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ที่ดวงใจเหตุนั้นเ ท, นนทวดาอากาศศรัทภูมิรัฐาก็ดีเทวดาทั้งใจโลกธาตุไม่นิยมไม่อนุโมทนาฝนก็ไม่ตกเพราะขาดทานวัดศีรษะวัดภาวนาวัด เพราะมีข้อวัดทางโลกทางโกดทางหลงมากกว่าเพราะมีแต่ไฟมากกว่าไม่มีน้ําเหตุฉะนั้นมันจึงรอดท่าพูดอย่างนั้นพระบรมศาลาชาวค่าวใด โ, โรคหนักในราคะคราวนั้นน้ํามักจะท่วมข่าวใดโรคหนักในโทสะคราวนั้นไฟจะไหม ข่าวใดโลกหนักในโมหะลมจะพัดบ้านพัดเดือนปลิวไปพระบลมศาสตรนข่าววัตถุภายนอนแต่มันก็หนักทั้งราคะโทสะโมหะนั่นเองทำไมจึงมีราคะโทสะโมหะเพราะมีสิ่งที่จะพยายามละอยู่ทำไมจึงมีมืดเพราะมีสว่างแก่อยู่นั่นทำไมจึงมีโง่ พระมีฉลาดแก้อยู่ทําไมจึงมีเกิดแก่เก็บตายเพราะมีทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไปตายอยู่แก้อยู่ทีนี่ถ้าจะสงสัยในภาวนาก็ถามซะเพราะมาภาวนาถ้าสงสัยอันไหนก็ถามเพราะมันจะไม่ถูกจุดที่ที่ต้องการ จะของตัวจะของเว้ยเพราุกจองของม่ไม่สัดมันไม่ศีลเนี่จะของมันไม่ซัตั้งสัดไว้ใน่กรรมฐ า, านอันไหนก็ต้องพี่ยรนหน้าอันนั้นไ้นตั้งสัดไว้แมกรรมฐ า, านอันเรื่องอหมดพอเลาพุทโธพุทโธพทโธได้แลยเนี่ยห ด, ดขลาดโดนเอิญหมดไมแล้วตัวจะของจะตำหนนกรบมฐ า, านเหรอต้องเอาให้มันเห็นคุณในสันนั่นสักกันไหม เห็นภาวนาพุทธโธสให้มันเห็นคุณนในพุทโธตะกันเห็นคุณในการภาวนาสั้นนั่นจิตมันสิลร่งไปซําไหลหามันเห็นตะ ก, กันไหมเอออันนี้อันนี้เป็นมาตาเลี้ยงเห็นไฟวันได ห, ห่างแลนไสหม่ำบังไงหรออยากเจ็บปวดเยอะเออมันอยากปวดบ่อยนงงั่งรงหรอพ่อนั่งรงแน่แลรออยากห่อไปเพื่อพามาออกขลาลวดมันก็บอะไรแล้ว ก็นางรองเลยอยากทุนจิตใจเนืกออยากไปแสดงปฏิหารหอไปเดินจงกุมท่าอากาศมันมันกับอะไรแล้วเนี่ยพอาะสันโดษสันทุตถิประมังธนังความสันโดษเป็นทรัพอย่างยิ่สันโดษในกรรมฐานที่เห้าตังไหวให้มันเห็นคุณในสนาสักกันกรรมฐานอะไรมันดีมัมันมันก็ดีกับเพราะเขา จับอันนี้ก็ว่างอันนี้จับอันนั่นกว็วางไหมปเฮ็ดงานด้วยมือมือจับอันนี้ว่างอันนี้จับอันนี้ว่าง น, นี่รวดเรวจับ ก, กันว่าไรจับกันไหนว่างทำงานจบจดจับจับจดจดนะฮะเห็ดอันนี้บ่าไร igt, กะไปเห็ดนั่นเห็ดนั่นว่าไเห็ดนั่นตะพืดนตะพืไปคือมั่วเขาก็เลี้ยงตัวแร่มันดุ้างจอยอเขาแขนขอตัวใหญ่ใหญหเพลงเลงเพลงเ่งกัดหาดขุดเพลงเล่งเพลงเล่งุดกัดพุดเพลงพง แล้วกะทวงบกๆซะห่อออกกวาดข้าเกรงซะหรอกแล้วอันนี้ก็คือการนั้นนะต้องอันเดียวกรรมฐานอันเดียวละ่ะเวลาเขาที่หน้ากรรมฐานอันไนะให้เข้าใจว่ากรรมฐานทั้งหลายมมาร่วมอยู่ในกรรมฐานอันนั้นแล้วว่าอนงะั้นกรรมฐานในพระไตรกษเนี่ยมาร่วมอยู่ันเข้าเที่ยง น, นยว่าสักไกรรมฐานในมาร่วมอยู่พุโทโธในว่าักก็ลร่วมหายใจเขาออกผ่องแล้วก็พุโทโธอไรอยู่ กรมาากรมฐานนะกรรมร่วมอยู่วันพี่จะหน้าคว่ำตายสิกรรมฐพี่จะห้าความตา ย, ตายกันมเล็กกรรมท า, านเล็กมาร่วมอยู่บันร่วมให้ใจเขาออกนะเอาจะร่วมให้จอกใจเขาเออกั่านนะอันอื่นมันถ่งางว่าหรอกมันดึงม่าหรอกขัแม่เล็ดีมันดึงว่ารกเข้านักราาาวานาอารมของพระวานาบรรดาเขากรรมา ห, าเห้าเข า, เ า, เากาันละว่าท่านมาจะเขานักใหกรรมฐานที่เขาตัางไว้ตังกรรมฐ า, านไว้ให้อาจารย์องค์นึง นึกเข็น อ, อกนึงันผ า, า, า, า, าหนา้ามันทำมีมำไปใช้พุทันนึกเข็นว่าันรับเอ า, น า, เนานอนั้นมันจงี้ำช้ันอีกทเ้ดีมัำไปใช้ันอีกเอาวขึ้นนเบ็ตัวของตัวจะของของมไม่ซัดในจะของัดจังไม่เอามาตัางซัดจังเพราะซเป็นข้าตายอธิษฐานปารสัมปโนโ อธิษฐานไว้อธิษฐานธรมคือทำที่ควรตั้งไว้ในใจสยีย่างหนึ่งปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สองข จ, จัดความจริงใจคือประพฤติถึงใดเขาก็ให้ได้จริงสามกาคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจสีอุปสมบสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพื่อนำประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติเลือดชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นกับพี่น้าโยคนเก่าอะไรมันเกิดเองมันอยากเห็นย่มไดก็ต้องให้เห็นร่มหายใจเขาออกเป็นไรถ้าเราต้องการเห็นก็ของมันมีแนวเท่าเนี่ยมันรู้มีแนเท่าของเมย์หรอว่ายืมร่มจะมากําหนดแดอยืมร่มร่มหายใจเขาออกก็ข่าบว่ามีของเมย์หรอเชักหน่อย คื้นหนาน่าว่าทรงแผ้เอาลมหายใจเขาออกไปจะโดนอะไรกัเขาก็งวันไอวาหลว่อเขาไมอิสระอยู่เนดินยืมใจเจ้าพี่น้องมากำหนดยืมสติเจ้าพี่นอ้องมาเนี่ยวไอวาวงพ่อไมีอยู่เขาทให้เกิดแต่มีอะไรอย่วันยืมวไหนเนมอิสระอยู่แล้วทำข้อมดีก็มีอิสระอยู่แล้วว่นที่ลงทุนงายม่ครบอยู่แล้วมนุษย์สมบัติมิ่งขาสองแขนสองหัวหนึ่งมีล่ลว่เป็นอะไรเสียชีวิตมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติอ่ะหนั สามานตที่ทำได้ิีนี้มันเหลือสามารถพระพุทธเจ้าก็ไดเอามาสอนขณะมันเหลือสามารถพระพุทธเจ้าเอามาสอนเนี่งกระทกเขาพระพุทธเจ้าเป็นคนงงพระพุทธเจ้าหนึ่งโง่มากไ่รูบุรุษบุคคลผู้ใดพอจะทาได้ก็เอามาสอนก็เทกเขาเข้าเข้าปากกาวตูวเป็นนักหนักนักนักม่ง้อนั่น เออเส้นแปดดีเส้นแปดก็ดีถ้าเราขจากมือเมีสีขางกับว่างมาแน่ว่างมแ่รัดต้อกายเขากับรถตัดตอเจ้พกนบสี่ายัก็ะขอหท้าไปรบับ่าสก็ได้ ขีดินต้องินเอาให้กันนะสงกัดพิษสลักก็แล้วอถือว่าขีดินต้ขีดินเอาให้เขาเอามาให้กัมันทารดินพรับเอานี่ยก็มันทา์ดินครพุ่นกัมันทารดินพร่พุนี่กมันทาดินทาน้ำทารดาดบเอาให้กันอะไม่กิบเป็นผู้บังคับเงีขันทาพี่มนาท่านกับหางพ่อปี๊ยงหรอะแต่หางกับพ่งามานได้ไอันละเอียเท่านี้มันแอบขินไว้เลยแอบขีดทับปียงเลย พ <Jub ik> วกหงวงไา้จิเลสมันร่อยแต่ม <Dr. fifth> <describes> ันแอบสินพัฒน์ไเดียวเนียเอาว่างไว้ศกรเรอเออเอาว่างมานราศกัณฐ์แล้วคือพปฏิบัติไมคนเรไปอะไรกับคืออ๋ออืมอืม้าใจสักใจเขาเกเปยดเลยว่าเขาโมจัดเนาะวิกาและโภอของสำคัญเนตะเวนบวายหนึ่งองคุรี่คกระเพ็ด เฉาะซิคคาบอตขอนี่เป็นชิคคาบทที่ว่ไม่เกีจแต่หน้าเนี่ยซิคคาบอวิกาละโภเป็นซิคคาบอตที่ไม่เกจแต่หน้าสามารถลวงไหนปากที่ห้าสั่อาหารล่าห้มันเด ฟ, ฟั่นมันายาไม่กินอาหารอยู่หันเขาไม่กินอะไรไม่กินอาหารอาตเตาเรนบายไปแล้วเข้าไปเกินจี น, น่ามันไหลลงหอนมันกลับพิษโตวิกาละโภนักจี หามอ ห, หายคันอ๊องหมอหายขับลําทําเพลงขันท้ายินดีนคขับลําทําเพลงสินขอนี่กับร่างพ่อยมาล่าหามหมอห้ยดมดอกไม้ขันท้าฟอกสบู่ก็ดีข้อท่าเนาาี่ยก็ดีห้น้อมใช่ว่าท่าเพื่อกันแตดขุ่นเจ้าสุภาพเพื่อสวยพระ ง, งามขันท้าหวังเพื่อสวยพระ ง, งามกับพิษสินขอนี้วุจาหาหมอหายนา่งสูง เตียงแปดเนี่ยพัตตคดเท่ากับสิเนี่ชางช้างไม่กับสามกระเบียกกับสองอนุกะเบียบเว้นไมแต่แม่แค่เว้นไม่แต่แม่แ ค, แแแ ค, แแแค่ทั้งบนทั้งเพราะกันตกถามว่าหายังสูงบอามาดเป็นถมาดเึ็นาา น, าานั่งเคลี์โลก ธรมรมะว่าอะไรพธรมว่าอะไรธรรมว่าเป็นลักษณะธรรมดไปแล้วเนี่ยปะทีนีน้อนน้อนของหยัดนนของอยัดนุนกระพิษเขียน่อเนี่ยพวกเขาถือเคงค า, า, าว่าหอมผันวมสัมเสียนแปดจะสำรับพระมงเงาผันวอมบริสัยอันนี้ก็เป็นที่นั่งเนี่ย ทีนังของพาะธรรมทานมั น, นมนนุได้นีงฟั่งห น, นักกว่านะอันอื่นไปนเล่าก็หามเล่าก็หามดอกเล่าเป็นยังยังหามวิกาละโพเพราะมันเสียไมายุ่งหนึ่งก็กิน่นก็ทายมันเสียเพปฏิบัติสิ่งทําทำันเลยหายหามเพราะเสสันโดษมากน้อยไปอีกเฉพาะเสียเพราะาห้เป็น กรรมฐานใส่เหี้ยอว่ารนเหรอเบืองเท่รทัดเบิงเทรทัดถ้าห่างเพื่อนกับเขามันก็ผิครับพเบืองเป็นโป่งถ้ำช้างวัยเด็กบาพิดถ้าไปเพื่อนกับเขาเห็นเขาขาดก็จขาดของเขาเห็นเขาแก่ก็จะแก่ของเขาพิดเนี่ย่ะ บิงผมถ้าสังเวชว่าพิษแต่ข้างตั้งไปเบิ้งกับพิษอีกละ่ะต้องไฟเบิ้งในโลกของเขาพิษอีกละ่ะถ้าอยู่ในวัดในว่าขเขาเข้ากันคำนี้เป็นนิจจวัดกับผิดคือกันเขาเป็นบางข้าวบางข้าวขับว่าพิดดอกหม้อรั่มกันขึนกันหามว่าหายพิกษุไปเบิง้งหม้อขับหม้อรั่มถ้าเขาเอามาในวัดในว่ามันเกิดขึ้นในวัดในว่าเนะี่ยฤๅวิสัยแล้วก็ของจงพิจารณา โอ้ถ่าททองเที่ยวในวัดตาทองสารโยงสิทธิ์ล่ะศีมาดีใจเสี ย, ยใจอยงสัทธิ์ล่ะวะท่นเมนเดลกับพระพ็ษแกจะให้เกิดเรื่อยเถิดปนวา่าเห็นเขาขา่าเขาแกงกันในทร ท, ท่านเออทำาม่ทราบมี่วามโย่กันศมาข่ามาแกงกันที่ล่ะเออเห็นเขาซกง่ยเนียเทวดาทรทัศน์มันมพูดได้เพรียรใช้ชนะกันหรือ กัศนากสนาขเดศหรวจะำนึกแหวังสียเนี่ก็ไ่ได้ผิดเด้อเราพูดนึกวงเสียมันก็ไ่ใช่ลายจงเวรงส่องี่ว่าทำไมเเออเขาิดปัดเนี่ยหรือวเพ่งเพ่งเระมันงกโตรับเขาม่เขาว่ถึงเราดนั้นผิดอะไรศีลกรรจัดกิเดียวางงามสมาธิยางกลางปัญญาหยางละเอียด พระสสดาบาลบอสามารถลวงละเมิดเมียเจ้าของบอสามารถลวงระเมิดผัวเจ้าของง่ามปัญเอกระชาดีวิเศษปัญเอกระชาให้ทรัพย์จะไม่ทรัพย์แนดินใครลวงระเมิดผัวเจ้าท้าอยมากเลยอะให้เรื่องลวงระเมิดเมียเจ้าท้าเขากับว่าเอานี่พระสวัสดิ์ถือเป็นมาเป็นกรรมในประเชศหลายอย่างลวงนักครอนี้สําคัญมากมันขาดกาเมียซึ่งไม่ใช่จานเลยเสมอนี่ เผื่อไม่สามารไใจคำว่าได้เลยไปตลาดกาเหมือกัักขึ้นไปร่องแร็หรือนไปไสบุโซ่กับมาเรียบร้อยแล้วเหมือเป็นเอาได้เสมอเลยสารพัดเยลยหลปู่มหาพว่าสงการม้าว่าสันนิวา่านหลบปู่มหาบัวสงการม้า ก, กนยังมีเงี้ยเบียดเก้าอันนี้มันบ่มีพระสันสงการมนุษย์บ่มีพระสันทางเฮ้ามันยังไข่กับท่างเสียงไม้ไปเก่งกานนี่ โรคเอดมันมาจากอะไรมันก็มาจากสงการมาไอ้พวกนันนั่นแหละข้าวอาไปใส่แห่งเห็นคุณคาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่อมปัดลัดไปปัดเจ้าพุทธเจ้ามันมาจากอไมันก็มาจากราคะที่ห่งขาพันมันแท่งกันมาจากอะไรก็มันก็มาจากภาษาที่ห่างอย่าว่างเลอันหลงมันเป็นกองทัพนายกโมหัน คำว่าหลงมันกับวโลกคำว่าหลงมันกับวโกคำว่าหลงมันกับวหลงอันนั้นมันเป็นแม่ทับสั้นที่หนึ่งแม่ทับสั้นที่สองรากะสั้นที่สามโทษแม่ทสั้นที่สองโทษสะแม่ทับสั้นที่หนึ่งคือโมหะสั้นที่สองคือโทษสะสั้นที่สามคือราคะ คมนี้ปัญญาเนือแล้วโอมโมหะเนี่ยโมหะอันไหนเสียมาสนะมันกำมี้ต่าปัญญาตอนนเสียงะมาสนะมันอันโมหะน่ยมันเป็นคำภาษาบาลีแต่เป็นคำไทยฮวาข้อมงูปัญญาจิไปชนะความงโโูทุศะค้อมเมตตาจะไปชนะแต่หาพ่อบันเท่าซีว่าพ่อเสียนชนะได้กับปัญญาเพื่พวกผู้เจิราษฎราคะ ก่ต้องพี่อสุภะจึงเสิเบาลงเพื่อได้มีราคาจัดจั๊กเอากะโลกอผีมาแขกค้อไว้แกข้อเดินจงกรมวงเป้พุงเป้งวงเปงไเพื่อได้จากจวนเพื่ราคราคาจักเอากะโลกงอควายมาแขกคอเดินจงกรมวงเป้งวงเป้งไปทมนมารใช้พ่อ ก็ไปกลับมวอืมมันกันแ้วแต่อุบายของไครจิทรมารเจ้าของดอกเว่ยของอันนี้ก็ไะอุบายโลภอุบายโกรธอุบายหลงมันก็ยั่งเห็ุเป็นอุบายชีละมันละบ่าไรสิว่าโตัวมีคนน่าไหมันกรมับมันกรว่าให้เจ้าของกันอมาท่าโลภโกรธหลงก็ไม่พูดได้เสื่อเส้นมาท่าเห็นโทษไปยังจะมาเห็นโทษไปขันยังเห็นคุณนอยู่มันกระละว่าไร ขะนังเห็นเป็นจะโทษดล้วนๆอ่ะมันกระเว้นได้ทีว่างได้วันนี้หรือวันสาคัญมันก็บวันทำทาทำท่าย่างเรเว่ยคือไฟหลันขะเห็นโทษว่ามันเป็นของห่อนจัดๆเข้าสีได้ไกูชิว่าพ่อาน้จะไปจับไฟชิว่าสันหมอกว่าหรือไอ้พวกจะันเรามันเห็นโทษอันนี้ล้วนมันกึมันกระถอนเองมันคือมันไปเห็นโทษมันก็เอาอยู่ห่างละบอกสิ คุณมันมีซําไหนโทษมีซําไหนหา้ามจัดสิ่งไหนมันมีมันมีคุณอะมันกลับมาเป็นโทษเช่นนั้นพระพุทธเจ้าว่าบัญญัติเราไม่เป็นคุณในเช่นนั้นมันบัญญัติเราเป็นโทษสิ่งไหนที่มันเกิดดับพระพุทธเจ้าว่าบัญญัติเราเป็นของเทียงและว่าเนี่ยว่บัญญัติเราเป็นของสุขสิมีเป็นญาณแลมีเป็นญาณกระซังสิ่งไหนเกิดดับเป็นเิ่งนั้นก็ต้องบาเทียงก็ต้องเป็นทุกข์ จริงนั่นสืรือตัวหรือว่รูอตัวกระซังถ้าไม่พอใจหรือว่าไม่พอใจก็ตามพราะพฤติกรรมยักเทงกันโหลดนะมีการสอสอบไหมรสิ่งได้ไม่ที่อย่างเสื่อเป็นทุกสิ่งใดไม่ทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาท่านผู้อื่นถ้าว่าเป็นตัวตนเราเขาท่านผู้อื่นมันจะทุกทำไมเพราะไม่ต้องการทุกมันมีมันขัดต่อตนนี่มันขัดต่ออัตตาขัดต่อตนตนไม่อยากทุกได้น่ะ ท่าท่สอนของพระุทธเจ้าก็ไม่ลายแต่หาไม่หน่อยชิงใดสิ่งเสริมราคะให้จัดขึ้นชิงใดสิ่งเสริมโทษสะให้จัดขึ้นชิงใดสิ่งเสริมโมหะให้จัดขึ้นเสียงนั้นเ่รามันคําสอนของพระุทธเจ้าชิงใดล่าทําราคะให้เบาลงหรือให้หามเบรคามล่อได้แม้นเสียบว่าขาดกระซ้างหรือขาดไปก็ดีหรือว่าขาดก็ดี เดี๋ยวาให้อ่าเบรคถามลอยชี้นั่นก็เป็นข้ามสอนพระพุทธเจ้านี่มีการทดสอบอยู่นี่ทำเราใดเป็นไปเพราะความคายําหนักหนึ่งเป็นไปเพราะความไม่ประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพราะความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพราะความอยากอันน้อยคือสันโดษยินดีแล้วความมีอยู่เป็นไปเพราะความเพียรหนึ่งเป็นไปเพราะความไม่เกียจข้านหนึ่งเป็นไปเพราะความเรียก ง, ง่ายหนึ่งทำเานั่น เพิ่งาว่าเป็นคำเป็นอะไรเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสีราหน้ามาฆ่ามดีโคตรมีมากาบทุนพระองค์เจ้าเนี่ถ้าของพระองค์เจ้ามันก็ไม่หลายโพรดเนี่ยเท้าเน่ยผู้เอาวมาย่อมมาแสงมาปลอมใจว่ารับมาจากพระอนุนพระพุทธเจ้าเทศดที่มาบุเนี้ที่เอาไหนเป็นกำหนดใดมาหน่อยเนี่ยนกสินไหมันเพิ่มหน้าค่าให้จัดขึ้นเพิ่มโทษสาให้จัดขึ้นพมโมฆะให้จัดขึ้นก็ชิงนั่นกรบอแม่นคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเานะ อันนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยมันมันลาข้าจัดขึ่งบอกาง่ามจั ก, กรวาลเพ่นเง <c oughs> ินลึดเนี้ยออมาใส่ประเทศไทยมันเหมาสมกูว <c oughs> เพราะง้าง่ามจั ก, กรวาลมากล้ว่าท่นโดนกัคาการเน้ยเด้อนักคาสลองง่าง่ามมูซ า, าง่างเห็่อนบอก เสียเปียบว่าประเทศเท่าเสียเปรียบบ่าเสียเปียบประเทศอื่นเนาะในจังาวะทหารได้อียังแนี่ยเราพายว่าไม่ได้เลยเหรอะแล้วก็พวกประชาส้นกับอะไรยังแนี่ยส่วนเด็ดทบรมราซาก็บอะไรยังประชาส้นกับอะไรยังสังขาราศก็บอะไรยังเก็บวีจัยเสียเปียบประเทศอื่นแมนกว่านั้นมันได้อียังไงในประเทศเท่าขาตายมัดประเทศนี่เข้าก็ะเทศใดยังหรือว่านสัตวมีแต่ขายหน้าเจ้าของแล้ว นั่นนั่นมามาแทรกกับโม่ห้องไปทำลายให้มันมดดัดทุกประเทศเท่าหนึ่เขาเสียได้ยังไงเขาก็มีตัวบาบ า, า น, นี่แหละเชื mm ่อได้ไนี่เอาบ้านี้เอาบ่ามันแมนเนี่ยเขาเรื่องคนเชียดให้เมียมาเจอถ้วยที่มดัดหรือก็ัญหาใหม่มาหลังมันได้ยังไกันอันเดียวต่างกันแล้ว โทษสัวโมโหข้ามันมัเป็นโทษพระพระพุทธเจ้าสืสอนให้เว้นเหยียงมันก็เป็นโทษด้วคนเฮาบ่ดีมาเจอในทองเลยมันเกิดมาเป็นพระรหัดของแม่นวะกระม้าปฏิบัติใหม่บัดข่มสัวมันก็มาจากคนดีคข่มดีมันก็มาจากคนสัวจีว่างเลยพระพุทธเจ้าก็มาจากกุฎูส้นพระสวัสดิวันก็มาจากกุฎุส้นพระสักราข้ามเนี่กระมาจากพระสวดิ์วัน พระอานาค้าไม่ก็มาจากพระสัคคาค้าไม่พระทหารก็มาจากพระอานาค้าไม่พระพัจเจกาจาก็ไม่เป็นพิเศษตั้งหักพระชมาสพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษตั้งหัอ่ะก็มาจากกุศลผลบุญที่สร้างปัตตนาเองนักขันหักควอมดีก็คือหักตนขันหักค้ามข้มชัวก็คือเบียเบียนใจใจตนขันสนใจนะันท่าปฏิบัติละชัวทำดี ก็อยากว่าสนใจพระเจ้าว ต, ตนคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงทําเจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเป็นห่อหล่อลงมาข้อมดีแบยงออกเป็นสองดีในทางโลกขี่ดีในทางโลกกุศลดีในทางโลกตกุศลไม่ขอบเขตดีในทางโลกกตศะก็คือพอระสวสดาวันทรัพย์สินที่ได้มากทรัพย์สินของพอระสวสดาวันเป็นทรัพย์สินที่ได้มากในทางที่ชอี ว่ได้เบี่เบีย د, นตนและผู้อื่นต้ําก็นั่นเอาเป็นปรนะมาณว่าได้นั่นทรัพย์สินภายนอกวัตถุนิยมหน่ออุดมคติก็คือกันอุดมคติอะไรทรัพย์ภายในเวนจากขาทรัพย์แล้วก็เป็นทรัพย์คุ้มหนึ่ง เ, เวินจากรับทรัพย์ประพฤติเกื่งาก็เป็นทรัพย์เจริญขุมละขุมหน่อย <c oughs> เนจากมูซาวาและดิมสุลาไมอะไรก็เป็นทรัพย์เจริุมละขุมห่ยนั่น เรียกว่าทรัพภายในศีลทรัพย์สมาธิทรัพย์คือตั้งมันในศีลรักษาศีลมีสมาธิบริสุทกระเียร่างนวัตติและเลื่องถึงศีของตนนี่ให้ท่านมีสมาธิ่กระจากข้านวัตติและเลื่องท่านที่ตนในบริจาคแล้วเลืลังบริจาคด้วยนี่ัา้าล้วลถึงคุณพระคุพระธรรมประสง์เป็นสมาธิว่ากับพุท่านุสติสมานุัติั้งขานุสตินี่เนี่ยับ แ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มเมตตาพระ อ, องค์และสงเกตรุลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมตติจิตที่จะให้สัตว์ทั้งพวงเป็นสุขตัวหน้าสามอสุภะที่เจรณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไมตตามสี่มนนานะสตินึกถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิสพุทธเจ้าอารักะกรรมฐานสี่ยก ว, ว่าอารักะกรรมฐานสี่ พุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และสงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมตียจิตคิดอย่างให้ศัตด์ทั้งพวงเป็นสุขทั่วหน้าสามอุปัฏพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นในเห็นกันไม่งามสี่มรนะสติและนึกถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิจหนังพระพุทธเจ้าพลังค้นเหมือนว่าพระกรรมฐานโจตัวันพระกลับมาหยัง่งอันนี้คาซื่อ กับการมฐานกัมีน well. ้ำยาดเนื้อง้มก็มีอะนผมขนเล็บปั้นเนื้อเอ็กระดูกมวลก็มีแต่กรรมฐานเท่านั้นหะแก่ใส่ซื้อสมุติพ่จับข้อหมายการซื้อกเขาจะเข้าใจว่ากรรมฐานทั้งหลายมาอยู่แต่หน้าพระกรรมฐานกับบาแบบไงล่ะเขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานปยุทธ์มหาวิการไม่กับบาบบไงเหมือกัน ข่วมพ่อใจกระพ่า้เวทนาเกิดเกิดง่ายเลย้ขควมพ่อใจเวทนา น, านั่นเกิดเด้อคา่ามพ่อใจกระท่ให้เวทนาเกิดง่ายเออค่วมพ่อใจแนละ้วมันเริ่มไปนะก็ไม่เห็ น, นเท่าไปนั่งชั้งรับเ บ, บอร์ทรทักทัดบ่ละไ <laughs> ม่นบ่เมื่อโตไปนั่งเรียนสาวมากๆคนมันเหงา น, น, น่นเลยเคลียบบอก นั่นไม่รู้โฮแก่ไหมต่อลายไปเห็ดมันก็ฟื้น ต, ตัว <laughs> <laughs> พวกมพ่อใจมันเป็น ว, นวนันอยุวันแต่มันพ่อใจเรามันจะไปยังมองนั่นพวมาพ่อใจสำคัญใจไปสงแล้วเมื่อแกว์กระเด็นหอดไปว่ะใจไปสงไหม น้อแก้วได้ทำก้อนหาเพิ่ว่ า, าความสำเร็จอยู่กับความพยายามยานะเนี้เขาพยายามทำผิดเขากับสำเร็จเหมือนกันเขาพยายามขาก้นมือลักทรัพย์ประพฤติในากาลมือแต่มันห้ผลต่างกันนั่นแหละเขาก็ะทำโดยความพ่อใจเขาคือกังแต่มันให้ผลต่างกันได้หะระอฮันเมื่อห้ผลจะถอดขึ้นมาเดือดถอดนหมดไงได้หรือฮันน่ะทำสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและไม่ทุกเป็นไม่บาปต่อไป ธรรมรมสมาทานบางอย่างให้ทุกเป็นในปัจจุบันและมีสุขเป็นในบาตต่อไปนี่คือหมายความว่าไงการปฏิจจบัติกระวตย า, ยาหิ้วเข่าเหยืน้ำเน็้อเนยได้ให้ทุกในปัจจุบันได้ห้างไม่สุขเป็นในบาตต่อไปทำสมาทานบางอย่างใ ห, น ใ, นาให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นในบาตต่อไปให้สุขในปัจจุบันเนาะให้เนาะหมายกามากินเหล่าถือเป็นของสุขวันะ หยิบแยมแมใส่สุกทำร้านบานใจให้ยทุกข์ในปัจจุบันโอ้หายทุกขในปัจจุบันเมามาหล า, ายได้เงินกับเสียค่ะเนี่ยมือรุ่นมากนะห้ยทุกไม่เป็นเร่บากต่อไปละ น, นี่นทําสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและก็มีสุขเป็นในบากต่อไปปฏิบัติพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์กับเหลื่อมใส่เห็ุไงเนี่ยก็ได้บุญหลายเนยอนาคตนคําสมาทานบางอย่าง ให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นในบาปต่อไปคือว่พ่อใจทําความผิดมีผู้มาบังคับก็ดีและประทําน้ำเขาะเลยเป็นทุกแล้วห้ทุกนะแม่อนาคตดอีกหายทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นในบาปต่อไปให้ยทุกในปัจจุบันและมีท <esto ifications> ุกเป็นในบาปต่อไปถือเป็นของสุขการเวียนเวียนเพิ่นบางคนถือเป็นความทุกซื้อเป็นว่าใดเปรียบ หรือเปเรียนแม่เพิ่นเนี่ยนนถือเป็นของสุข น, น้อนเะเพราเขาทิ้ประตูขามากกับมีจ้วงไซนี่เล่ะเห็นบ่มีในหนงังสือเพีบยบอยู่นีะถือเป็นไม่สุขนะพั จ, จุบัลนออันได้พระพเจ้าห้องวัดสอนแบบว่ามีเด้ะขีหน้ามงมันขักเนาะสอนว่ามอย่บนฟิวขันมันทำรบน้ามก็มีู่บนซึม วอลสันอรรถโมบิมอนฆ่าเอกสะรวัความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในโลกชนะความยินดีในโลกปิดบังความชนิดยินดีในธรรมความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงความเร่มใสในพระพุทธธรรมพระสงค์ชนะความเร่อมไสทั้งปวงความเกียรติค้านเป็นมนฑินของผู้รักษาบุตรเจ้า ที่เอาอันไหนมาสนะความเกียร์ขางเอาค้อมันตัวแล้วอ๋ออันไหนมาสนะค้อมันโมมีสีมีถ้ำก็เอาควอ ม, มันมีสีมีถม้ำต่อมาสนะมันนั่งที่ออันไหนมาสนะข้อมงเก่าข้อมสลัดมาสนะมั น, นคมม้นสนคมสลาดในท่างโลกุตระก็คือคือนับแต่พระสวตดัชฌันเป็นต้นไปตัําก็ลนมาพระพุทธเจ้าว่าเอาเป็นว่เอาเป็นกำหนด ศีลก็นับเอาแต่ศีลพระโสดาบันเป็นต้นไปสมาธิก็นับเอาแตสมาธิของพระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันพุทธโตขั้นหนึ่งก็หวังเพื่อคนทุกข์เลยว่ามันชีพุทธโตหาเล็กหาผาหาบัตหาเบือเนี่ยแต่พุทโตหาเล็กหาผัตหาเบือหาบัตหาเบือมันเป็นพุทโตโลคเกียรมันว่ามันพุทธโตของพระโสดาบันถ้ามโทั้งโค้กคือกันภาวนาอันใดก็หวังเพื่อคนทุกข์นะว่าเราสงสารในพระโสดาบันว่ามันเหตุเพื่อหลอกกินเขาต้มเขาขนมเขา วก็้กันวายสามที่กับผูโธษทำโมสัสงฆ้อี้านั่งไม่ได้วเพื่อหลอกเขาเพื่อแก่ลำคัน่นสัตวนี่เขาไม่มีสติของคนท่งนองสารในจนงพระสุวรรณกินเขาก็ม่ได้เพื่อกินเพื่ออวดเ พ, พื่อพี่กินเพื่อแก่ลำคั่นข้องหิวเพื่อที่ปฏิบัพุ่งมันกรให้พ้นทุกข์สันี่ในวัฏฏท่องสารนี่สัตวนี่นั่นพ่พระสุวรรณละครับเป็นขันต้นของพระพุทธศาสนาละครับ ไปเทศไปถ้มก็มาว้างเพื่อเอารับเอายอวางเพื่อเอ า, า, เอ า, าเอหายเพืฟังเข้าใจเพื่อให้างเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อผลทุกนวัตตาสงสารสัพพะทานางังธรรมทานังชืนาติให้อะไรเป็นทางก็มาให้ทําเป็นไม่เท่าให้ทําเป็นทางธรมม ร, าามธรมะสวรรค์ไม่บนสัพเพด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไม่บนเัียนด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุจุกรรมการทําความเห็นให้ตรงอะไรเมื่มอโตจะถามอย่างนี้ถามว่า ฮะ ก, การนั่งนั่งที่กติกาในระบบมีปฏิบัติปฏิบัติในสองนางดูคนแต่งนางนั่นแต่นั่งเดินดูนแต่ละมั่นึ้นยกับเจ้าของวันนียผู้ร้คนกันนั่งนนจะเจอนางเอาเวลาเืีอบอะไรนัง่ง ผู้ปัญญาบราไม่ีมั้ผู้ปัญญาไม่เนี่ยพลังเข่าแล้วบัานหัวจักรถนั่นจักก้อหมายก่อนจักก้อหมายากับของก่อคือผู้เขาเ่าลังเลิ่นเข่าสองปีสามปีเช็ดอ่านซื้อก็ยังอ่านมาออกมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของฝ่ายของมันอ่านความไว่มาไมบางองค์กัพ่อเนียยินเสียงเข่าหูกระทำเป็นพลังหารแล้วก็มีเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นคัดพอแล้ว ไปครับเป็นทศว่าุ่งเป็นทศวรรเห็นหมายความว่าได้ยินก็เป็นแต่ศักว่าได้ยินได้รู้ก็เป็นทศวรรไม่รู้ได้รู้ไม่ต่อไปหาว่าต่อไปหาหลวงกวนหลวงว่ได้ถือว่าผู้รู้เป็นเล่าเล่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นเล่าเล่าเป็นผู้เห็นเป็นทศวรรษเห็นเป็นทศว่าษรู้เป็นทศวรรษรู้เป็นทศวรรษเห็นเนี่ยคัดคอแล้วแล้วข่ามโลวไปแล้วเพราะเหตุใดแต่เพราะเหตุเป็นอบรมมาแต่ศาสตร์กรเนยอ่ะในสมาธิ นี่ปัญญาล้วนๆเนี่ย